คนโง่สําคัญตนว่าฉลาดพระพุทธภาษิตผู้ใดโง่รู้ตนว่าเป็นคนโง่ผู้นั้นยังเป็นคนฉลาดใต้บางเพราะความรู้นั้นส่วนผู้ใดโง่แต่สําคัญตนว่าฉลาดผู้นั้นเราเรียกว่าเป็นคนโง่มากอธิบายความคนที่โง่ยังไม่ฉลาดรู้สึกตนตามเป็นจริงว่าตนยังโง่อยู่เมื่อพยายามเพื่อถ่ายถอนความโง่ของตนย่อมทําได้ โดยการคบหาสมาคมกับบัณฑิตหรือคนฉลาดยอมให้เขาแนะนำพร่ำสอนการเวลาล่วงไปลงไปยอมกลายเป็นคนฉลาดได้หากเคยเป็นพานก็กลับเป็นบัณฑิตได้ส่วนคนที่จะต้องดากดานนั้นคือคนที่ยังเป็นคนโง่อยู่แต่สำคัญตนว่าเป็นคนฉลาดมีทิฐิมาน้าจัดไม่ยอมรับว่าตนยังโง่อยู่ไม่ยอมรับความจริงแม้ตนเป็นพานก็เข้าใจว่าตนเป็นบัณฑิต ประพฤติตนอย่างผ่านก็เข้าใจว่าประพฤติอย่างบัณฑิตคอยหาเหตุผลผันผ่านเข้าข้างตนคนอย่างนี้ไม่มีวันเป็นบัณฑิตหรือฉลาดขึ้นได้คนฉลาดต้องยอมโง่กับคนเพียงคนหนึ่งหรือสองคนเพื่อจะได้ฉลาดกว่าคนเป็นแสนเป็นล้านคนที่ไม่ยอมโง่กับใครก็จะไม่ฉลาดกว่าใครคนไม่ยอมรับความจริงเป็นคนที่น่ากลัวพระาศาสนาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่เชตวนาลัม เมืองสาวัตถีทรงปรารบโจรสองคนมีเรื่องยอดดังนี้ในเมืองสาวัตถีโจรสองคนไปวัดเชตาวันพร้อมกับมหาชนผู้ไปฟังธรรมโจรคนหนึ่งตั้งใจฟังธรรมแต่อีกคนหนึ่งใจจดจ่อยอยู่ที่ของอันจะพอรักได้คนที่ตั้งใจฟังธรรมได้มรลุโสดาปติพนส่วนอีกคนหนึ่งได้ซับห้ามาศจากชายผ้าของอุบาสกคนหนึ่ง ทรัพนั้นพอค่าอาหารได้วันหนึ่งเมื่อกลับมาถึงบ้านโจรผู้รักของกับพัญญาต้องการเยาะเย้ยเพื่อนผู้เป็นโสดาบันจึงกล่าวว่าท่านไปฟังธรรมทั้งทีไม่ได้แม้ค่าอาหารพอเลี้ยงตนสักมื้อหนึ่งจะมีประโยชน์อะไรสหายผู้เป็นโสดาบันคิดว่าเพื่อนเราคนนี้เป็นคนโง่แท้แต่สําคัญตนว่าเป็นคนฉลาดแต่ไม่ได้พูดอะไรเมื่อไปวัดเชตทวันพร้อมด้วยหมู่ญาติ จึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พร ะ, ระศาสดาทรงทราบพระทศพลแสดงคำแก่เขาว่าผู้ใดโง่รู้ตนว่าเป็นคนโง่เป็นอาทิมีนยะดังพันานามาแล้วแต่ต้น